คนเราไม่ว่าตื่นหรือหลับเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ตลอดเวลานะทั้งวันทั้งชีวิตไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและอากาศที่เข้าไปในร่างกายของเรานี่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย มันจะมีลมหายใจของคนที่เคยเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างของเราด้วยตอนหายใจเข้าเนี่ยอย่างน้อยน้อยนี่ก็หนึ่งโมเลกุลนะของลมหายใจที่คนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่หลายแานปีที่แล้วเนี่ ย, ยไม่ต้องพูดถึงหลายพันหลายหมื่นปีเนี่ย รวมหายใจของคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในร่างของเราแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะอย่างน้อยๆก็หนึ่งโมเลกุลนะและนี่เป็นความจริงที่มันน่าถึงมากผู้คนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยรวมหายใจเขานี่มาไม่ไสูญหายไปไหนนะมันเข้ามาสู่ร่างของเรานะ ก่อนที่จะคืนออกไปนะสู่โลกภายนอกวันนั้นเนี่ยคนที่เรารู้จักในประวัติศาสตร์นะหรือได้ยินชื่อเนี่ยรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายนี่ลมหายใจของพระองค์ลมหายใจของท่านเนี่ยนะมันก็เคยเข้ามาสู่ร่างของเราหรือเราเคย สูตรรวมหายใจของท่านเข้าไปแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราอันนี้ไม่นับถึงคนที่มีชีวิต อ, อยู่ในปัจจุบันนะเม่ว่จะเป็นคนที่เรารักอุปการีหรือแม้กระทั่งคนที่เราขุ่นข้องมองใจเกลียดชังรมหายใจของเขาเนี่ยนะมันก็เคยเข้ามาสู่ร่างของเราหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในในธรรมดังเดียวกันนะั้ลมหายใจของเราเนี่มันก็จะเข้าไปสู่ร่างของคนอื่นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต ด, ด้วยเนี่ยอย่างมีเขาบอกว่าเนี่ยคนที่มีชีวิต อ, อยู่ตอนนี้เป็นถึงคนที่อยู่ในโลกนี้จนกระทั่งโลกแตกเนี่ยนะซึ่งก็คงหลายพันหลายหมื่นปีนะลมหายใจของเขาเนี่ยนะ หรือเวลาเขาหายใจเนี่ยขาก็จะเอาลมหายใจของเราเนี่ยเข้าไปในร่า ง, งเขาด้วยตั้งที่เราถึงตอนนั้นก็ตายไปแล้วนะไม่ว่าจะตายไปนานเท่าไหร่ลมหายใจของเรามันก็จะยังไหลเวียนไปตามร่างกายนะของคนทั้งหลายทั้งในวันนี้แล้วก็ในวันหน้า โปรแมนเช่เเลยนะว่ามนุษย์เรานี่มันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะอย่างใกล้ชิดอย่างแนบแน่นนะอย่างที่นึกไม่ถึงเลยนะเราไม่ใช่แค่สัมพันธ์กันทางสายเลือดนะแต่ว่าหรือว่าสัมพันธ์กันผ่านาการทำงานร่วมกันนะการช่วยช่วยร่วมกันหรือการอยู่ใน ชุมชนเดียวกันเนี่ย แ, แงสัมพันธ์กันผ่านลมหายใจนะและยิงกนั้นนะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่กับคนหรือมนุษย์ทั้งหลายนะที่อยู่ตอนนี้หรือว่าที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะ <c oughs> กับสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เหมือนกันนะ เรามีอะไรที่เหมือนกันนะอย่างเช่นเพราะว่ายีนเนี่ยนะยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุ ก, กรรมที่มันเป็นตัวกําหนดประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเรารูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยนะนี่รวมทั้งอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็ถูกกาหนดด้วยยีนนะเรียกว่าเป็นหน่วยพันธุ ก, กรรมที่สําคัญมากในเซลของเรานี่มันมียีนนะซึ่ง มีมากมายแล้วก็เป็นยีนที่เรียกว่าเรามีร่วมกันนะกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นเรามียีนนะที่เหมือนกับพืชพันธุ์นะหรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเนี่ยนอนเนี่ยนอนตัวกลมนี่นะเรามียีนมันมียีนเหมือนกับเราเนี่ยนะ เกือบสี่ิเปอร์เซ็นะเราจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดยนมเนี่ยนะอ่าอาจจะเป็นพวกตุ่นปากเป็ดหรือพวกไก่เนี่ยนะเรามียีนเหมือนกันเนี่ยกับสัตว์เหล่านี้เนี่ยเกือบสี่สิเอร์ซ็นลยนะเกือบเจ็ดิเอร์เซนเราจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดยนมนะเช่นหมาวัวนะ วเรามียืนที่เหมือนกันเลยนะป่าซื้อกับเปอร์เซนต์ยิ่งถ้าเรียงชินบัญนีด้วยแล้วเนี่ยนะเรามียืนเหมือนกันเลยนะเก้าสิบเปอร์เซนหรือเก้าสิบเก้าเปอร์ซน์เลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นญาติกันนะมนุษย์เรานี่กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนี่เป็นญาติกันไม่มากก็น้อย เพราะว่าเรามียีนนี่เหมือนกันนะโดยเพราะเนี่ยสัตว์ที่เลี้ยงลูกโดยนมนี่นียโอ้ยมันมียีนเหมือนกันเลยนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนะหรือว่ามากกว่านั้นอันนี้มันแสดงให้เห็นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยกับชีวิตอื่ น, นเนี่ยมันเป็นเป็นญาติกันสัมพันธ์กันเรามีอะไรที่เหมือนกันนะมากกว่าความแตกต่าง บางทีเขาบอกว่าชีวิตสัมพันธ์เนี่ยนะมันเคยมีเพลงนะเพลชีวิตสัมพันธ์เนี่ยมันคือความจริงนะเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะนะสิ่งที่เรามีก็คือว่าไม่มองเป็นศัตรูไม่มองเป็นปฏิปักษ์นะแต่ว่าควรจะนับญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกันถ้า่เราเห็นความจริงตรงนี้เนะี่ยเราก็จะรู้ว่าอ คนที่เรามองว่าเป็นศัตรูเพราะว่าเชื้อชาติต่างกันศาสนาต่างกันบางที้ก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นแหละหรือว่าเป็นพี่น้องทางสายเลือดก็ได้เนยแต่ว่าเป็นสายเลือดที่มันผ่านทางยีนนะหรือว่าใกล้ชิดกันผ่านลมหายใจมนุเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนี่ยซึ่งกันและกันแล้วกับชีวิตอื่นนี่มากมายเหลือเกิน อย่างที่เรานึ่องไม่ถึงในเรื่องการที่จะแบ่งว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นศัตรูกันนี่มันก็ถือว่ามองข้ามความจริงแม้กระทั่งคนต่างศาสนาคนต่างเชื้อชาติที่สู้รบตบมือกันฆ่าฟันกันนี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นรุนไหนเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแม้กระทั่งเรากับชีวิตอื่นก็เหมือนกันนะ มันก็มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันแบบเป็นเครือญาตถ้าเรามองแบบนี้มันจะเห็นว่าเนี่ยโอยชีวิตเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยนะแล้วไม่ใช่คนกับสัตว์อย่างเดียวนะคนกับธรรมชาติคนกับสิ่งแวดล้อมคนกับต้นไม้ก็สัมพันธ์กันเรามียีนที่เหมือนกับมมียีนที่ร่วมกันกับข้าวเนี่ยนะต้นข้าวเนี่ยนะถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะทั้งที่ คนเราเผาพันุเลยนะสัตว์หรือค น, นี่กับพืชเนี่ยนั้นท่านที่เขาบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือความจริงนะแต่เพราะเราเหม่ความจริงตรงนี้แหละนะเราก็จึงทําร้ายกันหรือว่าเอาเปรียบเปบียดเบลงกันสุดร้ายก็นําความทุกข์มาให้กับตัวเราเหมือนกันนะอย่างที่ตอนนี้เราก็กําลังเดือดร้อนกับสิ่งแวดล้อมที่กําลังถูกทําลาย เพราะการที่เห็นว่าธรรมชาติกับเรานี่เป็นคนละส่วนคนละพวกกัน